เสียงหน่อยคงจะได้ยินไม่ทั่วถึงกันเพราะว่าตอนนี้ลำโพงยังไม่ได้มาถึงก็คิดว่าจะต้องเปลี่ยนรูปแบบสำหรับวันนี้คือช่วงแรกเราจะมานั่งสมาธิกันก่อนก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องใช้เสียงแล้วประมาณสักสามสี่โมงครึ่งประมาณสักสามสิบนาทีหลังจากนั้นคิดว่าลาโพงคงจะมาแล้วแล้วค่อยพูดธรรมะให้ญาติโยมฟังกันนี้ ตอนนี้เราจะมานั่งสมาธิไม่ทราบว่าทางข้างหลังได้ยินไหมพอได้ยินนะก็เราจะนั่งสมาธิกันสักสามสิบนาทีก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยฟังเทศฟังธรรมต่องั้นตอนนี้สําหรับญาติโยมชาวไทยเราเราก็จะมานั่งสมาธิกันก่อนประมาณสัก ส0นาทีได้กันห ร, หรือไม่ถึงก็ได้ประมาณยี่สิบปดนาทีแล้วค่อยมาฟังเทศฟังธรรมกันต่อเพราะว่าตอนนี้เสียงจะไม่ค่อยชัดเจนผู้ที่อยู่ไกลาจากลาโพงก็อาจจะไม่ได้ยินงนั้นเรามานั่งสมาธิเพราะตอนนั่งสมาธิเราไม่ต้องใช้เสียงกันไม่ต้องใช้ลาโพงใช้สติแทนขอให้มีสติกากับใจให้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ ที่จะกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบอารมณ์นี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันจะเป็นบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้จะเป็นการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้หรือจะเป็นการสวดมนต์ไปก็ได้หรือวิธีอื่นที่ท่านเคยใช้มาแล้วได้ผลดีจะใช้วิธีนั้นก็ได้บางแห่งก็ให้ใช้สัมมาอราหังเป็นคำบริกรรมบางแห่งก็ให้เพ่งดูลูกแก้วให้ปรากฏขึ้นมาในใจ อย่างใดอย่างหนึง่งก็เป็นวิธีคล้ายๆกันวิธีที่จะทําทให้ใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความนิ่งได้ก็สำคัญขอให้มีสติอยู่กับกรรมฐานนี้ไปเรื่อยๆอย่าปล่อยอย่าไปติดตามรับรู้อะไรที่ปรากฏขึ้นมาในใจจะเป็นเสียงก็ดีจะเป็นภาพก็ดีจะเป็นอารมณ์อะไรต่างๆก็ดีอย่าไปสนใจถ้าไปตามแล้วใจจะไม่สงบใจจะเข้าสมาธิไม่ได้ ตอนนี้เราต้องการเอาใจเข้าสมาธิเข้าสู่ความสงบเพราะความสงบนี้เป็นเหมือนพลังของใจเป็นอาหารของใจถ้าใจยังไม่มีสมาธิใจจะไม่มีกำลังไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาเวลาที่เราจเจริญวิปัสสนาได้เังนั้นเบื้องต้นนี้เรายังไม่ไปที่วิปัสสนาเราไปที่สมาธิก่อนสมาธิแล้วได้สมาธิแล้วเราถึงห่อยไปวิปัสสนาปัญญาต่อไป ดังนั้นตอนนี้ขอให้เรามีสติและเลึกรู้อยู่กับกรรมฐานไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาแล้วใจจะค่อยๆเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความเย็นนละสู่ความนิ่งไปในที่สุดพอเนิ่งแล้วจะรู้สึกเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจและรู้สึกว่าเป็นความสุขที่ไม่เคยปรากฏไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงดังนั้นต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันไปก่อน ประมาณสักส0สนาทีด้วยกันหรือยี่สิบกว่านาทีาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส5บห้ามีนาคมพุทธศักราช2569้าเป็นวันที่มีอุปสรรคในการทังเทศทังธรรมกันเนื่องจากระบบเสียงไม่พร้อม ก็เลยใช้การนั่งสมาธิไปพางๆก่อนแล้วค่อยมาแสดงธรรมต่อแต่ก็ที่ว่าคงจะมีปัญหาเพราะว่าไม่ได้ปรับเสียงไว้ด่วงหน้าก่อนงั้นการแสดงธรรมก็เลยไม่สะดวกสำหรับวันนี้ก็เลยใช้เวลาให้กับการนั่งสมาธิไปประมาณสักสี่สิบสามนาทีด้วยกันแต่ถ้าใครอยากจะฟังธรรม เดี๋ยวเราจะมีการสนทนาธรรมถามตอบคำถามต่อในช่วงหลังจากที่ญาติโยมได้ถวายข้าวของต่างๆเรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้ต้องขออภัยที่ไม่ได้แสดงธรรมแต่เราก็จะสนทนาธรรมต่อหลังจากที่ได้ทำบุญทำทานกันต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรหิติสากหลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวาสมิจโตสภะปุเรหตุสังกะปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติ สุยธัสสภติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขิตายโกภวะอภิวันสีลิสานิจามุธาจายโนยตารธรรมวัทหติอายุวันสุขัง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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้เบื้องต้นเราก็จะถามภาษาไทยก่อนเอาเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยถ้าไม่มีภาษาไทยแล้วเราก็จะไปที่ภาษาภาษาอังกฤษเพราะเรามีชาวต่างชาติมาด้วยวันนี้ we will talk later on in English we'll speak in Thai first okay and when when there are no, no question in Thai then we'll come to you and you can ask question เอา น, นิมีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมหน้ากุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ167ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์204 YouTube ดร V 35วิทยุออนไลน์6 Clubhouse 2หน้ากุฏิ220รวมทั้งหมด634ท่านค่ะ<ห>คําถาม ำคำถามจะพูดรับฟังทางบ้านค่ะขอโอกาสหลวงพ่อแม่ตาอธิบายค่ะที่มีคําว่าทุกต้องกําหนดรู้หมายถึงให้เราพิจารณาหาต้นเหตุของทุกเพื่อค้นหาว่าเราทุกเพราะอะไรแล้วแก้ที่ต้นเหตุหนูเข้าใจถูกต้องไหมคะก็อย่างนั้นแหะคือท่านบอกว่าทุกมันเกิดตอนไหนให้รู้ว่ทุกเกิดตอนไหนเช่นตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ร่างกายทุกแล้วใจเราก็ทุก์ด้วย เวลาที่เราต้องพัดพากจากของที่เรารักไปเราก็จะเราก็ใจก็จะทุกข์ให้รู้ว่าเวลาที่ทุกข์เกิดขึ้นนั้นอยู่ในช่วงไหนแล้วก็ให้ค้นหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่เรามีความอยากอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้น เราก็ลังับความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยการยอมรับว่าร่างกายเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทุกคนหลีเกเลี่ยงไม่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรายอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่กับมันไปรักษาไปได้ก็รักษาไ ป, ไาไปรักษาไม่ได้ไม่หายก็อยู่กับมันไปใจเราก็จะไม่ทุกข์คำถามข้อที่สองค่ะ อย่างตอนนี้หนูทุกข์จากการที่คิดถึงคนที่เคยดีต่อกันเพราะความไม่เข้าใจมาพิจารณาก็พบว่าเหตุจากการไม่มีสติใช้คําพูดเชื้อเฉือนอยากเอาชนะจนทะเลาะกันพบว่าต้นตอมาจากตัวตนและทิฐิมานะของหนูใจมันก็คลายและเบาลงแต่มันยังมีความคาดหวังเราจะกลับมาคืนดีกันเพื่อหนูจะได้แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดคิดแบบนี้มันก็เจออีกว่าหนูยังทุกข์จากความคาดหวัง สรุปแล้วหนูต้องวางใจว่าต่อจากนี้หนูจะมีสติในการพูดไม่ว่ากับใครถ้ารู้ตัวว่าอยากเอาชนะนั่นคือตัวตนจะพยายามคิดถ้าทำแบบนี้ถูกต้องไหมคะใช่อย่าไปอยากกับอะไรทั้งสิน้นให้ปล่อยสถานการณ์มันเกิดขึ้นเองถ้าจะพบกันอีกจะดีกันเกก็ปล่อยให้มันเป็นไปแต่อย่าไปยากให้มันพบกันอย่าไปยากให้มันดีถ้ามันไม่พบกันนไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ดีมันก็จะทาให้เสียใจ ยังให้ยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นให้เป็นสิ่งนี้อะไรทำนองนั้นคำถามสักทางอินบ็อกซ์ค่ะหนูเป็นคนที่ชอบอยู่นิ่งๆไม่ชอบออกไปข้างนอกเนื่องจากไม่ต้องการพบปะความวุ่นวาย แต่บิดาจะตรงกันข้ามท่านจะมีความต้องการไปยังสถานที่ต่างๆตามที่ตัวเองสนใจไม่ได้สนใจว่าการเดินทางจะลาบากเพียงใดเพราะคนที่จัดการทุกเรื่องทุกอย่างคือตัวตัวหนูและหนูไม่อาจปฏิเสธต้องพาไปทุกครั้งซึ่งผลซึ่งส่งผลทำให้จิตใจขุ่นมัวทุกครั้งอยากทราบวิธีทําแก้ไขหรือทาจิตใจให้ปล่อยวางคะ่ะเหตุเพราะว่าเราไม่อยากไป มันจึงทำให้ใจเราขุ่นมัวเวลาที่เราต้องไปแต่เราต้องคิดว่าเราเกิดมานี่เราก็มีหนี้คือมีหนี้กับพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราก็ต้องใช้หนี้คือเราต้องมีความกระตันอยูต้องยอมอต้องรับใช้ท่านเวลาที่ท่านต้องการอะไรถ้าเราคิดว่าเป็นการใช้หนี้เป็นการแสดงความกระตันอยู่เวทีเราก็จะยอมทาอย่างมีความสุข อย่าไปคิดว่าเราต้องทําตามใจเราเสมอไปเพราะบางครั้งเราก็ต้องทําตามใจผู้โดยเฉพาะผู้ที่มีพระคุณกับเราเราต้องการให้ผู้มีพระคุณเขามีความสุขเราต้องการทดแทนบุญคุณของเขาโดยการทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เขามีความสุขดังนั้นเวลาที่เรามีโอกาสได้ทําอะไรตามที่เขาอยากให้ทำํำก็ควรจะดีใจอย่าไปเสียใจคำถามจาขทางเฟซบุ๊กค่ะ เราควรจะทําอย่างไรถึงจะมีศรัทธาครูบาอาจารย์ที่มีสองมาตรฐานคือสองอย่างหนึ่งเติรตัวเองทําอย่างหนึ่ง mm. เช่นการรับประทานอาหารท่านสอนให้คลุกอาหารในบาตเรื่องการหลับนอนอท่านติดแอร์แต่ของญาติโยมคารวะให้อยู่ให้ไม่มีไม่มีแอร์แล้วก็ไม่แล้วก็ให้กินอาหารตามมีตามเกิดค่ะถ้าเราไม่ศรัทธาแล้วก็ไปหา อจจ อ, อ, อ, ปปอคำถามจากทางย u t u b เ Dr. V ล h ี n n น l ค่ะตอนดูลมหายใจแล้วเห็นความคิดไปพร้อมกันจะรู้ได้อย่างไรว่าเราหลุดไปกับความคิดแล้วกลับมาลมแบบเร็วมากๆหรือว่าเราเห็นขันทำงานครับสาธุ ค, ครับก็ให้รู้อยู่กับลมทุกการเข้าออกก็แล้วกัน ส่วนจะมีความคิดหรือไม่ไม่ต้องไปสนใจเพราะตอนต้นนี้มันก็เป็นธรรมดาที่ความคิดมันยังมีคิดอยู่เพราะสำคัญเราอย่าไปตามความคิดให้เราตามลมแทนให้เราดูลมแทนถึงแม้จะมีความคิดเข้ามาก็ไม่ต้องไปคิดตามให้อยู่กับลมหายใจให้รู้ว่าลมกำลังเข้าหรือกํลาลังออกไปถ้าเราอยู่กับลมได้ต่อเ น, นื่องเดี๋ยวความคิด ต, ต่างๆก็จะค่อยจางหายไปเองคําถามจากทาง Facebook ค่ะ ทำไมชีวิตช่วงวัยรุ่นกับหรือวัยกลางคนถึงตัดเรื่องการมราคะยากมากครับขอวิธีตัดด้วยครับเพราะมาเห็นอะไรก็สวยไปหมดเนี่ยต้องพยายามพลิกมันมองให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามเช่นมองดูอาการภายในของร่างกายร่างกายมัต้องจากผิวหนังแล้วยังมีของที่อยู่ใต้ผิวหนังอกีกเช่นมีเนื้อมีกระดูก มีตับมีไตมีลำไส้มีปอดมีอะไรต่างๆเราต้องพยายามดูอาการสามที่สองร่างกายอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเราเห็นอะไรที่สวยงามเราก็บอกว่ามันสวยแค่ภายนอกสวยแค่ผิวหนัง <c oughs> พอมองเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็ไม่มีอะไรน่าดูเลยถ้าเห็นส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายการมาราคาก็จะดับไปคาถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ ผู้รู้เหมือนเราดูทีวีแบบนี้หรือไม่ครับถ้าเราเห็นสุขถูกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนละครในทีวีทีวีก็เท่ากับร่างกายเมื่อทีวีพังเราไม่ติดในทีวีไม่ติดในละครปล่อยวางแบบนี้ถูกหรือไม่ครับถ้าเราไม่ติดแล้วก็ไม่ดูเลยถ้ายังดูอยู่แสดงว่ายังติดอยู่คําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะตอนที่เราหลงอยู่ในอารมณ์เก่าๆ ที่เราไม่พอใจกับเหตุการณ์พอมีสิ่งกระตุ้นก็มีอารมณ์ไม่ดีเกิดผุดขึ้นมาอีกยมสกัดกั้นอารมณ์นี้ไม่ได้เจ้าค่ะยมได้แต่หลีกหนีทำอย่างไรอารมณ์โกรธจะไม่เกิดขึ้นอีกเจ้าคะอารมณ์โกรดเกิดขึ้นจากความอยากของเราอยากให้คนนั้นทำอย่างนี้อยากให้เขาทำอย่างนั้นอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นดังใจยอยากก็โกรธขึ้นมาถ้าไม่อยากจะโกรธก็หัดยินดีตามมีตามเกิด อย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้อย่างที่ฝรั่งเขาร้องเพลงเคสลาสเซลา a t e v e r will be will be อะไรก็ได้อะไรจะเกิดก็ได้ทั้งนั้นฝนจะตกแดดจะออกก็ได้สงครามจะเกิดสงครามจะสงบก็ได้ทั้งนั้นถ้าเรายินดีตามมีตามเกิดแล้วเราจะไม่โกรธใครค <c oughs> ำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ การฉีดยากำจัดกลวกที่ขึ้นบ้านถือเป็นบาปหรือไม่คะถ้าทำให้มันตายก็บาปนะคำถามสากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะเราต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะว่าชีวิตนี้มีเที่ยงมีเกิดมีดับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้และจะไม่โลภอยากได้สิ่งต่างๆเพราะในที่สุดเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว คำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะกระพระอาจารย์เมตตาแนะนําวิธีปฏิบัติให้ถึงพระโสดาบันครับพระโสดาบันก็ต้องมีจิตที่นิ่งสงบระดับอุเบกขาแล้วก็ปล่อยวางร่างกายได้คือไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะแก่ก็ไม่ทุกข์กับมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์กับมันมันจะตายก็ไม่ทุกข์กับมันถ้าทํางนี้ได้ก็สามารถเป็นพระโสดาบันได้ คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะพญาตหนอนปลวกล้วนไม่มีตาอายตนะของขันห้าไม่ครบจัดว่าเป็นสัตว์หรือไม่ครับก็ยังมีอายตนะอยู่นะจะเราจะรู้ได้ไงว่าไม่ครบเราก็ไม่แต่ถ้ามีอายตนะก็แสดงว่ายังมีวิญญาณมาเกาะได้อยูย่งนั้นก็ถือว่าถ้าไปฆ่าสัตว์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการทําบาปอยู่ถ้าเป็นต้นไม้นี่ไม่มีอายตนะต้นไม้ ต้นย่านี้ไม่มีตาหูจะบอกนิ้กายแม้เขาจะมีชีวิตแต่เขาไม่มีดวงวิญญาณมาเกาะยังั้นการตัดต้นไม้ก็ดีตัดย่าก็ดีไ ม, ไม่ไม่บาปแต่อย่างไรคำถามจากทางย t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะลูกเพิ่งรับปริญญาไปเปิดดูทีไรก็ชื่นใจทุกทีแบบนี้เป็นกิเลสไหมครับถ้าชื่นใจก็เป็นกิเลสเพราะถ้าเกิดไปมองว่าต่อไปลูกตายมันก็จะเศร้าขึ้นมาัทีเศร้าก็ไม่ดี ดีใจก็ไม่ดีต้องเฉยๆถึงจะดีหรือว่าเขาก็ดีดีกับเขาแต่ไม่ดีใจไปกับเขาชื่นชมได้แต่ไม่ต้องไปดีใจอย่าไปยึดไปติดกับเขากับเขาเพราะวันอย่างเขาก็ต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดเราต้องมองทั้งสองด้านมองทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแล้วมองแบบกลางๆไม่ยินดีไม่ยิน้ลยแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เสียใจ คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะนั่งสมาธิดูตรงที่เจ็บปวดแล้วท่องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วก็หายทุกครั้งไปอย่างเช่นปวดหัวปวดหลังก็ต้องพุโทโธดูไปไม่ได้กินยาเลยเจ้าค่ะพุโทโธช่วยได้จริงๆหรือเจ้าคะอ่าก็ใช้มาแล้วไม่ใช่เหนี่นี่ที่ถามเรื่อมาอมารายงานให้ทราบคือสิ่งความปวดที่จะหายนะั่นคือความทุกข์ใจ แต่ความทุกข์ร่างกายมันไม่หายกับการใช้พุทโธบางทีก็หายได้แต่บางทีก็ไม่หายเช่นการปวดหัวนี่ยแล้วเราพุทโธพุทโธไปพอใจเราสงบอาการปวดทางใจก็หายไปใจจะไม่ทรมานแต่อาการปวดทางร่างกายยังคงอยู่เมือคนละเรื่องกันนะเราดับความทุกข์ทางใจได้ด้วยพุทโธแต่เราดับความทุกข์ทางกายไม่ได้ด้วยพุทโธเราต้องใช้ยาใช้หมอ คำถามจากทาง facebook ค่ะนิวรณหจะปรากฏตัวอยู่เสมอเช่นความฟุ้งซ่านความง่วงเรามีวิธีจัดการอย่างไรครับก็ถ้าฟุ้งซ่านก็ขาดสติไงเราต้องพยายามจารณ์สติให้มากถ้ามีสติแล้วก็จะควบคุมความคิดฟุ้งซ่านได้ถ้าเราง่วงนอนก็แสดงว่าเราเกิดจากการกินมากเกินไปเราก็ต้องลดอาหารลงอย่าไปกินมากกินไม่กินหลังเที่ยงวันเป็นต้น เมื่อกินมือเดียวอย่างนี้มันก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความง่วงนอนได้คำถามจากทาง u t ท b e พระอาจารย์สุชาติค่ะจะวางใจอย่างไรไม่ให้หลงคิดไปว่าการมีเงินมากจะนำความสุขทางกายและใจมาให้ครับเพราะความจริงมันได้แต่ความสุขทางกายเท่านั้นแต่ความสุขทางใจนี่เงินซื้อไม่ได้นะความสุขทางใจต้องเกิดจากการ ทำความดีทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาเท่านั้นคำถามจากทาง Facebook ค่ะอยากทราบว่าเวลาที่ตนเองสวดมนนั่งสมาธิทำบุญอยู่บ่อยๆ อ, อยากรู้ว่าที่ทำอยู่ถูกต้องหรือไม่ต้องดูอย่างไรคะดูที่ใจถ้า ใ, ใจมีความสุขมีความอิ่มมีความสบายใจก็ถูกต้องคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ถ้าเราเห็นแต่ไม่ได้ฆ่าชี้บอกเขาเราจะบาปไหมคะถ้าเราสั่งก็ก็บาปทำเองก็ดีสั่งให้คนอื่นเขาทำให้เราก็ดีก็บาปหมอนกันยังไม่มีคำถามใหม่น ะ, ะทางญาตยมที่อยู่ที่นี่อยากจะถามอะไรไหมเดยอะก่อนเยวก่อนเย ว, เยวภาษาไทยยังไม่หมดเล ย, เยอ่าคำถามํำลองนี้หรือเปล่าเข้ามา <laughs> อ่านเป็นเรื่องๆไปไม่อยากจะปนกันเดี๋ยวฝรั่งบ้างเดี๋ยวไทยบ้างกล่าวนมัสการพระจารย์ค่ะโยมสงสัยเรื่องการสะดอเคราะห์สามารถต่อชีวิตคนได้จริงๆไหมคะถ้าต่อได้คนลนโลกไปแล้วเลยไม่มีคนตายเ <c oughs> คยมีบุคคลกล่ า, า, าวว่าเอในพระสูตรหรือว่าในเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าค่ะ ที่มีเนนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะจะเสียชีวิตแล้วนําเต่าไปปล่อยหรือว่านําสัตว์ไปปล่อยเนี่ยนะคะแล้วทําให้สมนเณีรูปนั้นไม่ตายอันนี้จริงเลยคะ่ะคือยังตายแต่ตายช้าหน่อยใช่ไหมไม่มีใครไม่ตายหรอกแม้แต่พระพุทธเ จ, ะจา้าก็ต้องตายเหมือนกันถ้าเช่นนั้นวันมีส่วนช่วยไหมคะไม่รู้อันนี้อาจจะเป็นเหตุบังเ อ, อิญหรือว่ามันเป็นจังหวะของมันที่ยังไม่ตายก็ได้ แต่ต้องตายอยู่ดีไม่ช้าก็เร็ว อ, อย่างัต่างที่ต้องอยู่ถึงตอนนี้ต้ห้าถ้าไม่ตายค่ะเจ้าค่ะเปล่าขอพระคุณเจ้าค่ะโอเคโอเคก็เวลาสาหรับวันนี้ก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านชงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ